น้าคุณสองไม่งานมามีใครมาฮัลโหลค่ะพระอาจารย์นมัส ก, การค่ะคุณสองข้าววันนี้น้าน้าแค่ะวันนี้มาพระอาจารย์ตั้งแต่เราคุยกันวันนั้นสนทนากันวันนั้นเป็นวันนี้ปฏิบตัติแต่ว่าแค่สวดมนต์ค่ะอืมไม่ได้ฝึกเป็นจังหวะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสวดมนต์แล้วก็ ใช้วิธีรู้สึกตัวเอาค่ะพระอาจารย์อือค่วเจอเจอธรรมาชาตินะใช่ธรรมชาติมากเลยค่ะ อ, อค่ะเเป็นยังไงมางล่ะทันบ้าง ไ, มงไหมก็ก็ทันค่ะแต่ว่าวางวางวา ง, งความรู้สึกได้แต่ก็ยังมีเสียใจอยู่ แต่ก็วางได้หมายความว่าเวลาที่มีคนพูดให้เรามากระทบใจเราอย่างนี้เราไม่ได้เราไม่ได้จำในคำพูดของเขาเราแค่รู้สึกว่าสิ่งนั้นมากระทบใจเราทำให้เราเสียใจแล้วก็แต่ก็วางได้ค่ะและเวลาเวลาฝึก เวลาฝึกนี่คือไม่ได้กดเลยแล้วก็ไม่ได้ตั้งจังหวะเลยไม่ได้กดมันก็ไม่ได้สังจังหวะเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่า <c oughs> สวดมนต์แล้วก็เวลาสวดมนต์อ่ะหนูมีสติกับทุกคําที่สวดมนต์ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเวลาเราสวดมนต์ถ้าเป็นบทไหนที่เราทํางานเงี้ยเราก็เหมือนพูดเฉยเฉยเหมือนเท่าเหมือนสวดเฉยเฉแต่ว่าหัวเรามันก็คิดอย่างอื่นด้วยอืมอ <c oughs> ืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยค่ะ เราสวดมนต์ก็คือเราสวดมนต์เราทำสีละอย่างนะคะค่ะเหมือนตอนนี้เรากำลังสวดมนต์นนะเราก็มีสติอยู่กับการสวดมนต์ในแต่ละคำของของของคำบทสวดมนต์นะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นคือจิตอยู่กับบทสวดมนต์ค่ะพระอาจารย์การรู้แบบธรรมชาติเนี่ยการรู้แบบธรรมชาติเนี่ย แบบตอนที่สาเนี่ยอันตอนที่สามเป็นการเติมเป็นการเติมเบกขานะเป็นการเติมขาและใช้การรู้แบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากขึ้นในการรู้แบบธรรมชาติเนี่ยคือต้องหัดหัดให้จิตเนี่ยรู้ตามหลังอารมณ์ไวๆให้อารมณ์เกิดก่อนอารมณ์เกิดก่อนแล้วค่อยรู้ตาม อาจรู้ตามแล้วรู้แบบเฉยๆรู้ตามแบบเฉยๆไม่ได้เข้าไปแทรกแทงไม่ได้เข้าไปแตะต้องอะไรทังสิ้นรู้ตามแบบเรียนรู้มันค่ะพระอาจารย์มันคิดก่อนแล้วค่อยรู้<า>ก่อนแล้วค่อยรู้หรือมันมี่ยงก่อนแล้วค่อยรู้รู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแทงอะไร<อ>แต่เท่ากำลังกำลังไม่พอจริงๆปุ๊บอะเราก็ต้องใช้ กระบวการที่สองกับกรวการที่หนเข้ามาช่วยต้องต้องต้องสำรวจดีๆน ะ, ะในขั้นตอนที่หเป็นการการเช็คตัวเองอะตัวเองเอะเวลามันมีนมอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันอยากเข้าไปแทรกแต่งไหมหรือมันรู้ด้วยความรู้อย่างเป็นอุเบกขารู้อย่างเรียรู้อะค่ะ ถ, ถ้าเป็นเหมือนเวลาเราสนทนากับใครอย่างเงี้ยถ้าเราเผลอไม่มีสติอย่างเงี้ยเราก็ จะใส่อารมณ์ของเราในการสนทนาอันนั้นด้วยอืมอืมค่ะแต่แรู้รู้ไหมก็ก็รู้พอรู้ก็จะดึงสติกับมาว่าเออเหมือนก็แค่ก็แค่เล่าเล่าเหตุการณ์เฉยๆไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมเพราะเวลาเราเราเพลินกับความรู้สึกที่เรารู้สึกอะค่ะมันจะใส่อารมณ์ซึ่งจริงๆแล้ว เหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่มันมีอารมณ์ของเราทําให้ผู้ฟังเนี่ยเขามีอารมณ์ร่วมไปกับเรามันก็เป็นการสร้างสร้างสร้างอารมณ์ไปด้วยกันทั้งที่มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นก็ได้อย่างนเงี้ยค่ะพระอาจอราจ ร, ราจย์พอเรามีสติเราก็จะเฮ้ยมันเหมือนเวลามีอารมณ์มันก็จะพูดอะไรที่มันที่มันมากเกินเกินกับสิ่งที่เรากระทบเราเจริงค่ะ ใช่ใชื อ, อ, อความจริงนั่นแหลแต่พอ<ม> <Around. S 2> เราม<ด>ีส <บ úc. S 1> ติกับมาอย่เงี้ยเราก็เล่าแค่เรื่องเรื่องราวไม่ได้เอาอารมณ์เข้าไปใส่มันก็มันก<ม>็ทําให้แบบทุกอย่างมันจบ ง, ง่ายลงเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนนี้ตอนน้องให้หัดให้จิตเนะี่ยพยายามฝึกรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงให้มากขึ้นนะหัดให้เขารับรู้ความเป็นจริงมากขึ้น คืออะไรกระทบขึ้นมาปุป๊บให้มันเกิดก่อนแล้วก็รู้ตามนั้นเกิดก่อนรู้ตามนั้นแล้วรู้อย่างยังมีอุเบกขานคื อ, อเราเห็น ด, ดูการรู้เก่าๆของเราเราจะรู้อย่างเขาไปจัดการรู้อย่างเขาไปแทรกแซงรู้อย่างเขาเข้าไปต่อเติมให้มันเกินจากสิ่งที่มันเป็นอยู่เราสังเกตเห็นนิสัยเดิมๆของเราไหมแต่พอเราใจเขบฝึกผ่านกระบวนการในการฝึกรู้แบบแยกออกมารู้แบบฝืนเนี่ย มันจะเปิดมันจะเกิด ก, การรู้แบบซื่อๆเฉยๆขึ้นมาแทนดู้เฉยรู้ซื่ อ, อตามเท่าที่สิ่งนั้นเป็นมันเป็นยังไงรู้อย่างนั้ น, น, นแตถ่ถ้าบางครั้งมันอ่อนแอเกิดไปเราก็ต้องเสริมเสริมช่วยเสริมเสริ ม, รมด้วยการกลับมาบางครั้งเราก็ต้องใช้การฝืนเข้ามาช่วยแต่การฝืนนี้พยายามแทรกแซงแบบรัฐานะ ใ ห, ให้อารมณ์ยังเดนเนินแต่ให้อารมณ์นั้นยังเกิดขึ้นอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าไม่เอากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมไปรวมเฉย เออใช่ไม่ไ ม, ม, ม่เอากายกรรมวิจิกรรมไปตอบตู<า><ะ>้ตามอารมณ์นั้นนแหละแต่ว่าให้าอารมณ์นั้นดาเนินกันต่อไปเรื่อยๆขก็มันแต่เราห้ามก ram, าย ก, กรรมวิจิกรรมมนุกรรมซะเปลี่ยนมาเป็นดูแล้วก็ศึกษามันไปอันเนี้ยมันจะเลยทําให้ขั้นตอนที่สามดำเนินการได้ง่ายขั้นตอนที่สามคือเปิดใจที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วไออารมณ์แบบเนี้ยมันสามารถจยังอารมณ์โกรธได้แต่อารมณ์เสียใจทำไมมัน ยับยั้งไม่ได้ทำไมบางทีแบบเรากระทบอย่างงี้ทําไมมันถึงเสียใจจนเหมืน <ừ. S 1> มันดูมันเป็นไม่ได้ที่พระอาจารย์บอกคือบางครั้งนะบางครั้งเราชานาญในเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งยังไม่ชํานานญะหรือบางเราชานานในเรื่องแคล้งหรือโกรธในเราตุ่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าแต่พเรื่องเสียใจพุ๊บเนี่ยเราอาจจะยังไม่ชํานาญหรือยังไม่ยังเตรียมตัวรับกับมันไม่เป็นเพราะจิตมันยังเพราะมันเป็น อันเป็นงงกนลบควากฝันใช่ไหมอารมณ์โกรธ<ฆ>เป็นควาฝันที่รุนแรงอารมณ์เสียใจนี่เป็นภวามฝันของความเสียดายเสียดายทีนี้เราก็ต้องหัดยอมรับมันก่อนเบื้องต้นหัดยอมรับมันยอมรับว่าเออเนี่ยมันเสียใจนะมันไม่สบายใจนะหัดยอมรับมันก่อนยอมรับความที่มันเป็นนั่นแหละในเวลาเดียวกันตามที่อารมณ์เป็นนะจิตเราก็ยังคงดาเนินตัวรู้อยู่กับตัว ตัวปัจจุบันอยู่ไปเรื่อยๆขึ้เขาไม่หายเพราะช่างเขาถึงเขาจะหายเพราช่างเขาด้วยใจที่เราไม่อยากให้หายแต่ถ้าใจเราอยากให้หายอยากให้มหมดไปเนี่ยมันเป็นใจที่ไม่ปีติการแล้ว ม, มีปฏิขาดใจมีเจอเรื่องเรื่องสร้างอารมณ์เกินจากสิ่งที่เขาเป็นและอัดใจว่ะเสียใจยอมรับเสียใจไม่สบายใจยอมรับมไม่สบายใจ นั่นเป็นอารมณ์ไม่ใช่เราแต่เราเป็นคนเห็นความเสียใจเห็นความไม่สบายใจเพราะเบื้องหลังธิรยมุขสายเถี่ยังมาจริงๆร่ะมันเกิดเกิดจากการเราเสือไปเสือเพลินไปยึดมั่นถือมั่นกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่พระอจาบอกว่าว่าอารมณ์เสียใจมันไม่ได้มาให้เราฝึกบ่อยแต่ว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานมนุษย์ที่ที่ที่มันเจอได้บ่อยมากกว่ามันก็เลยจัดมันก็เลย มองเห็นได้ชัดกว่าอย่างเงี้ยเหรอคะอ่าประมาณนั้นในในบรรดาอารมณ์สามอย่างนี่หนึ่งโกรธใช่กับโลภะกับโไอาโกรธโลภหลงนี่เน่ยบรรดาอารมณ์โลภอารมณ์โลภเนี่ยอารมณ์โลภะนี่มันมาจากความเสียใจยินดีปีดาพอใจชื่นใจชอบใจไปนัทีนี้ไอตัวที่ําคัญคือตัวตัวหลงเข้าไปร่วมอารมณ์เนี่ยหลงเข้าไเป็นในอารมณ์เนี่ยตัวเนี่ยสําคัญ ไม้รูนหลงเข้าไปเป็นกระวนตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้เที่ผมนั้นก็แสดงตัวเองอยู่แต่เรากลับไปแสดงโลกกวมันเนี่ยให้ตัวหลงตัวเนี้ยสำคัญที่มันทำพอฟ้าให้เราเข้าไปไปร่วมด้วยแต่จริงๆเนี่ยไอ้คาเสียใจเป็นความโกรธชนิดหนึ่งเี่อ๋อค่ะเป็นความโกรธอีกชนิดหนึ่งที่มันมันมันเกิดการสูญเสียแล้วเกิดการ แต่ดกาไม่ได้ดั่งใจมันก็เกิดการระบายออกมาอีชนิดหนึ่งเหมือนกันความความเสียใจเป็นความโกรธชนิดหนึ่งไม่ได้ตามใจปัจจัยนาหรือสูญเสียสิ่งที่ตัวเองปราไปและสิ่งอันเนี้ยถ้าเรามองเห็นกันว่ามันเป็นแค่อารมณ์หนึ่งที่ต่างจากอามณ์อื่นเหมือนลมพัดผ่านได้เมนะื่อไหร่เนยจิตเราก็จะไม่ได้สะดเคลืกับมันแต่การฝึกฝนการขัข้นตอนเนี้ยมันต้องฝึกไห้จิตผ่าน จากการฝึกออกการฝึกฝืนแล้จากการฝึกเรียนรู้เฉยเรียนรู้ตามที่ต้องเป็นอย่างอุเบกขาเนี่ยถ้ามารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงถ้ามันเอาอย่างอ่อนแอเกินไปก็ช่วยมันหน่อยช่วยในการฝึกออกได้ออกมาอยู่กับปัจจุบันออกมาอยู่กับสิ่งที่กระทบขึ้นรับรู้ก็ขึ้นรับ ร, ร, บรู้อย่างเงีง้ยค<ๆ>ือ พระอาจารย์งั้นอย่างนี้พระอาจารย์เนี่ยงั้นคนที่ฝึกแบบเนี้บ่อยๆก็กลายเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกหรือเปล่าคะพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกเป็นคนมีความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยไม่เข้าไปร่วมกับความรู้สึกนั้นค่ะไม่ใช่นะเป็นคนมีความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยยังมีรับมีโภคมีกดมีหลงอยู่ แต่ใจหูนะ่ะเป็นคนดูอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนไปเป็นอารมณ์เหล่านี้มันต่างกันนิดเดียวคือใจเขไม่เข้าไปเป็นแต่ใจเข้าไปศึกษาใจเข้าไปเรียนรู้อ่านอานนิดเดียวคนเข้าใจพอเข้าใจเรื่องนั้นพวกต่อไปเรื่องนั้นเกิดกิจที่กิจ ท, ท, ที่เราจะเข้าใจเหมือนเราหัดขับรถเป็นน่หรือหัดทําธุรกิจอะไรเราเห็นอันนี้เป็นเนยเราจะทําิจอะรกิจอะไรเราก็ไม่ผ่อนา เราก็ไม่กังวลเราก็ไม่หวั่นตัวเพราะเราใจใช่ไหมค่ะที่เราทําอยู่เราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะอาจารย์เวลาเราเข้าใจเรื่องอารมณ์นี่ไม่ใช่มันที่เรียนรู้เต็มที่ถึงเข้าใจเต็มรอบมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดมากิจถุกไม่ใช่คนย็นชาะแต่เป็นคนเข้าใจหน่อยเข้าใจค่ะอาจารย์อืมไม่ใช่คนกินชาดอาจารย์ด้านเดียวกันด้วค่ะ แต่บางคนเข้าใจอย่าก็ว่าอารณนี้เกิดจากตรงนี้มีแรงผลักดันแบบนี้จากตัณหาจริงๆเบื้องหลังก็หมดแล้วอารมณ์มันไม่เป็นอะไรหรอกแต่เป็นตัวตัณหามันเป็นแรงผลักดันของมันอยู่ต้องหัดสังเกตดีๆว่อถ้ารมค์เสีใจเองอารมณ์รู้หนึ่งถ้าองค์อารมณ์ความอยากให้สิทธความเสียใจหายไปเนี่ยอีกหนึ่งที่มันคอ ย, ยดันให้เราเข้าไปร่วมเข้าไปจัดการ ถ้าเราดูเป็นนะดูไม่เป็นกนาลังไปพูดออกมาก่อน อ, ออกมาก่อนออกมาอายุสิ่งที่มาชาิที่ไหนก็สัมผัสเนี่ยกระ ท, ทบแล้วรู้กระทบรู้นี่ให้ฉบันเนี่ยรู้ตามาเยเป็นก่อนแล้วรู้ไปผ่านการเกิดข่อนแรูงปรู้ะไกันถ้าตรงผื้อเนี่ย่นนะค่ะพอาจารย์โอเคผมใหญ่ไปอนุโมทนาค่ะไม่มีแล้วคะ่ะ เออเออค่ะค่ะการพัฒนาผู้อาจารย์ค่ะนง่ายค่ะโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ได้ฝึกเยอะเลยค่ะผู้อาจาวุโอพาลูกฝึกกับลูกนี่แหละค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปฝึกกันข้างนอกไปพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งคนไข้เยอะมาก เราก็เราก็เจอความไม่ความไม่พอใจความหงุดหงิดตลอดเวลาเพราะว่าพอคนไข้ยเยอะเราก็ต้องรอคิวแล้วระหว่างรอคิวเราก็ไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเพราะเราไม่สามารถจะคาดการอะไรล่วงหน้าได้เราได้แต่นั่งรออย่างเดียวรอว่าเมื่อไหร่ก็จะเรียกรอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวรอรอรอร อ, รอแบบไรไรอนาคตเหมือนกันว่าว่าใช้เวลาทั้งวันค่ะอาจารย์ มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเสร็จเมื่อไรแล้วเขาทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดแต่ว่าโอเคเราก็รู้ว่าเราหงุดหงิดรู้ว่าเราเบื่อรู้ว่าถ้ามันมันมาทำอะไรไม่ได้ก็มาอยู่กับปัจจุบันวันแรกก็คือเนื่องจากว่าลูกเนี่ยเขาป่วยหลายโรคเพราะฉะนั้นเขาจะต้องติดต่อหลายแผนกแล้วแต่ละแผนกเราก็ต้องรอเราก็ต้องรอตลอดเวลารอตรงนี้เสร็จก็ต้องวิ่งมารอแผนกนี้วิ่งมาทําแผนกนี้ก็ โอเคคือวันทั้งวันตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงสายสายก็ได้ทันข้าวเช้ากันมาได้ทานข้าวกลางวันอีกทีตอนสี่โมงเย็นคือให้ทุกอย่างมันเสร็จเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอ่อหายไปจากตรงนั้นได้เพราะเราต้องมานั่งรอเดี๋ยวเขาเรียกตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิดพอถึงคิวเราแล้ ว, ลวเราไม่มาปุ๊บมันก็จะ เสียเวลารอไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งรอรอไปข้าวเที่ยงก็เลยไม่ได้ทานกันทีว่ามีขนมชิ้นเล็กๆ ก, ก็แบ่งกันทานพ อ, พอให้หายอยู่เป็นนิดนึงจกนกระทัุ่กอย่างเสร็จหมดสี่โมงเยนี่ยะะพระอาจารย์ถึงได้ทานข้าวกลางวันกันก็ก็นั้นก็รู้สึกเหนื่อยเพียมากแล้วปรากฏวันลุกขึ้นหนักกว่าเดิมเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าครั้งนี้จะต้องพาลูกสาวไปด้วยแล้วลูกสาวยังไม่ได้ทำบัตร ทำบัตรคนไข้ซึ่งโอ้โหขั้นตอนการทํ า, งงาทบัตรคนไข้นี่ใช้เวลามหาศาลมากมันจะต้องมาถึงก่อนเจ็ดโมงเช้ามาถึงแล้วต้องมารอกดบัตรคิวแล้วบัตรคิวนั้นก็ต้องมารอคิวอีกว่าเมื่อไหร่จะได้เรียกเข้าไปให้พยาบาลดูอาการหรือว่าจะต้องตรวจสอบอะไรของเขาอีกแล้วก็ต้องวิ่งมาทําบัตรคนไข้อีกจุดหนึ่งแล้วลูกชายจะต้องไปหาหมออีกแผนกหนึ่ง แล้วทีแรกก็เข้าใจว่าพ่อเขาจะมาช่วยด้วยปรากฏพ่อบอกติดธุระมาไม่ได้อ้าวเราต้องวิ่งวันเดียวทั้งโรงพยาบาลจุฬาโอ้ตอนพอรู้ตอนแรกก็แบบตายแล้วตายนแน่แน่วันนี้จะอยู่ยังไงเราจะทายัางไงให้มันเสร็จสองคนอะไรอย่างนี้ว่าอาจารย์ใจก็จะว้าหุ่นวุ่น ว, นวายอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็เฮ้ยยังไงมันก็ต้องทํามันก็ต้องอทําให้ได้แหละคนเดียวก็ต้องทําให้ได้พระอาจารย์ก็เลย สงบไปเรื่อยๆก็ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ก็ว่ากันใหม่อีกทีแล้วก็ทําตามขั้นตอนเขไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์พอเซ็งๆก็สวดมนต์เอาค่ะอาจารย์ไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้วเออเอาผุดตาว่าเขาช่วยก็ดีค่ะใจก็สงบสงบก็ก็ทําไปตามขั้นตอนทุกอย่างเขาก็ก็ก็เหนื่อยแต่ว่าใจเราไม่เหนื่อยอ่ะ กายเหนื่อยอย่างเดียวแต่ใจเราก็สงบแล้วก็ดูไปรู้ว่าเบื่อรู้วหงุดหงิดลูกเขาเบื่อลูกเขาก็เขาก็หิวอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เขาอดทนแล้วเราก็ยิ่งต้องอดทนมากกว่าเขาค่ะอาจารย์ก็เห็นเห็นตัวเบื่อเห็นตัวหงุดหงิดตลอดเวลาแต่เราอยู่กับปัจจุบันตลอดค่ะอาจารย์พอเบื่อมากๆก็อ่ะแผลเม็ดตาไปเรื่อยๆก็โอเคก็เหมือนเดิมค่ะกว่าจะได้ข้าวก็เกือบใบสาเหมือนกัน แต่ว่า ด, วด้วยด้วยด้วยด้วยใจที่เรามันสงบอ่ะมันเราไม่ไปหงุดหงิดกับมันไม่วุ่นวายไม่อะไรไม่โวยวายอะไรใครก็ดูลูกไปลูกเขาเบื่อเราก็บอกเขาว่าเบื่อคือเบื่อลูกเนาะเราก็ต้องอดทนมันระบบของเขาเป็นอย่างนี้ก็เขาจัดไปตามความเปจริงว่ามันอย่างนี้เราก็ทําให้ใจเราสงบไปได้อาจารย์ไม่หงุดมากแล้วก็อยู่ทั้งวันเราแก้ปัญหาให้ลูกสองคนวิ่งม า, าแผนกนี้ของคนนี้วิ่งมีแผนกนั้นของคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย จนเสร็จแค่นั้นยังไม่พอพอเลิกเสร็จจะกลับบ้านอ่ะลูกอยากจะมาเที่ยวมาดูของที่ห้างก็มากับเขาแป๊บหนึ่งปรากฏวิ่งไปเข้าห้องน้ำหายไปทั้งคู่เลยพระอาจารย์ตอนนั้นใจเราก็แบอกเฮ้ยทำยังไงเนี่ยถ้าหาไม่เจอจะเอายังไงดีแต่ก็ไม่ฟูมไฟอะไรก็แค่แบบเออค่อยค่อยค่อยหาเขาไปละกันเจอก็เจอไม่เจอเดี๋ยวเราก็แก้ปัญหาวิธีอื่นก็ ก็แม่ก็ตกใจอ่ะตกใจเฮ้ยลูกหายไปสองคนเลยแล้วมันอยู่ที่ไหนรูห้างมันก็ใหญ่แล้วแล้วเราจะหาคนเจอไหมแล้วก็ไม่ได้นัดแนะโทรศัพท์ก็ไม่มีแต่คิดว่าเขาก็น่าจะน่าจะแก้ปัญหาอะไรได้เราก็เราก็ได้แต่เออเดินเดินตามหาไปที่ที่คิดว่าจะเจอเขาสักพักหนึ่งอ่ะพัชก็กาวว่าถ้าไม่ไปเจอจริงคงต้องอ ใช้วิธีอื่นอะไรก็ว่าไปแต่ก็โชคดีว่าก็ได้เจอเขาอาารย์ระหว่างนั้นก็เหมือนเราก็ได้ฝึกใจเราว่าเฮ้ยใจเราหงุดหงิดใจเรากำลังกลัวใจเรากำลังโกรธพอเจอเขาเราก็ได้แต่โอเคเจอละเจอละแต่ที่ที่โกรธที่หงุดหงิดมันก็มันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แสดงออกมาก็ไม่ได้แบบดุเขาอะไรเขาก็แค่ถามเพราะว่าเออถ้าไม่เจอแม่จริงๆแล้วเขาจะแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามหุ่นกับเขาก็ก็เลยเหมือนกับ โอเป็นช่วงเวลาที่เราก็ได้เล่นสุดเยอะเหมือนกันครัอาจารย์แต่ก็ไม่รู้ว่าได้อะไรแค่ไหนแต่รู้ว่าโอ้ใจเราไม่ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปโกรธไม่เข้าไปแสดงไม่มีวัจีกรรมมนโนกรรมอะไรมากก็รู้แล้วก็หยุดแล้วก็เผลอรู้เมื่อไหร่ก็หยุดค่ะก็ก็เลยโอเคผ่านสองวันที่ที่ทเหมือนครับเรื่องเวลาไอ้พอสมควรอันนี้ไปได้ดีคยับอาจารย์ก็ ก็น่าจะเกิดจากการฝึกที่เราฝึกผ่านมาตลอดก็คงช่วยเราไว้เยอะคะพะอาจารย์ค่ะอันนี้อันนี้ ก, ก็เรื่อฝึกจิตให้มันยอมรับตามความเป็นจริงค่ะพระอาจารย์ต่อใหยอมรับตามความเป็นจริงความเป็นจริงต้องรอคือต้องรอจะกวลกระวายอะไรก็นั่นแหละคือต้องรอเป็นการสาร้างความอดและแข็งอันหนึ่งอันนี้ค่ะความคือทุกอย่านทุกอย่างถ้าจิตจิตขั้นตอนทุกอันกายขั้นที่สามเนี่ยคือเป็นการฝึกยอมรับแล้วก็ แต่ว่า เ, าเราเราเราพลาดโอกาสเรียนรู้สักนิดหนึ่งเท่านั้นแต่โอกาสเรียนรู้กับ น, นะเออเรียนรู้ที่ว่าเ ว, วลาต้องรอปุ๊บเนี่ยเอาไปเรียนรู้ในช่วยที่เราต้องรอปุ๊บมีความกังวลยังไ ง, ม, ม, ง, ไ ม, ม, งไมีความบุ่งบวมยังไงมีความตื้อตันยังไงมีความคัดเกินยังไงสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากไหนเนี่ยถ้าเราเปจังหวะจังหวะของการที่มีสมาธิมากพอปุ๊บจะเปิดใจกว้ว า, วางให้มันแสดงดูที่ว่ามันแสดงความกังวลยังไง ความกังวลมันมาจากไหนกังวลหนึ่งกังวลว่าจะไม่ทันกังวลวาจะพลากาังวลวจาจ ะ, จะพลาด ช, ชิวหรืออะไรพวกนี้เพราะรูรร้ัวอ๋อเบื้องหลังมันคือมาจากไอ้ไอ้ความอยากความอยากของเราเองข้างหลังส่วนเวลาลูกเสียลูกไปผู้ไหญความตกใจความกังวลใจใจที่เกิดขึ้นจากคนกระทบอะเพราะว่าเวลาเวลามันตกมาเวลามันลูกขายไปป๊บเนี่ย มันเห็นความตกใจมันตกใจยังไงมันกลัวยังไงมันระแวงยังไงมันจะคิดหาวิธีการแบบไหนแต่ถ้าเราแต่ถ้าคนไม่เข้าใจนะโชคดีที่เราฝึกถ้าเราไม่ฝึกถ้าคนไม่เข้าใจก็จะโวยวายแล้วโวยวายเจอหน้าระแวงรับนั่นแหละเกิดความโมโหเกิดความรักเกิดความโมโหทำไม่ไปแล้วไม่บอกแม่แม่อยู่ไนแต่นี่เรายังดีเรายังผวบตัวเองได้เไม่คิดจะทําอย่างนั้นหรอกค่ะ แสดงากระบวนการเนี่ยได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นแต่ก็ลืมเลยแ ก, ก็ลืมลืมภาวนากับปัจจุบันไปด้วยอตอบตมีอารมณ์ภาวนาอยู่กับปัจจุบันไปด้วยควบคู่คกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละ <ưng. S 1> ให้เขาเกิดแต่เราอย่าทิ้งอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ที่กระทบอยู่ในปัจจุบันนะอย่าทิ้งแต่แต่ไม่ห้ามไม่ห้ามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีอารมณ์ปัจจุบันเป็นตัวเลี้ยงอยู่อารมณ์ปัจจุบันที่เราอะอะไรมากระทบในตอนนั้นเราก็รับรู้ทางกายอ่ะ อางหน้ากายนีครับห่้ากายไปด้วยพร้อมๆกับอารมณ์กังวลพร้อมๆกับอารมณ์ที่หวาดกลัวพร้อมๆกับอารมณ์ที่รอคอยนั่นแหละ<า>ไอ้ทั้งนี้และได้มันจะได้เห็นภาวะในภาวะหนึ่งที่มันมันได้เห็นชัดเจนโอมันเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองการเป็นผู้รูร้ผ<ร>ู้ดูเป็นอย่างนี้เองแต่ว่าถ้ามันรุดจากฐานปัจจุบันไปเลยเข้าไปร่วมรบเพิมก็เข้าไปร่วมในอารมณ์นั้นแต่พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ออกมา เข้าร่วมออกมาเข้าร่วมออกมาเรายังไม่เห็นการเข้าเข้ามันการออกเข้ามันอย่าชัดเจน mm hmm. แต่ทารมีอารมณ์เออทารมีอารมณ์ปัจจุบันเรื่เรื่อยเนะีเราจะเห็นการออกมาเป็นผู้ดูเหตุการณ์ทั้งหมด mm hmm. มันจะยังไงจะทํายังไงจะหาวิธีแบบไหนจะสร้างอารมณ์ยังไงเนี่ย ต, ต, <Hey. S 1> ต, ตัวเนี้ยตัวสําคัญตัวสําคัญขั้นตอนที่สอุเบกขาเปิดใจเรียนรู้มันมันจะเกิดภาวะใดก็ตามและแต่ละวนนะันเนี่ยจะมีสภาวะแบบนี้มาทดสอบเราอยู่เรื่อยๆ บางทีก็ในรูปแบบของความชอบใจบ้างบางทีก็รูปแบบของความขัดเคืองใจบ้างหรือบางทีตัวรูปแบบของความวุ่นวายใจบ้างมัจะมาสอดระกันอยู่พวกเราอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพวกเรามีความมั่นคงมั่นคงในการเรียนรู้อยู่กับฐานปัจจ well. e ุบันดีๆอยู่กับฐานรู้สื่ออะไรกระทบขึ้นเราก็รู้กระทบก่อนลราก็รู้อย่างเช่นน่ะตากระทบรูปแล้วเรารู้บ่อยผ่านหูกระทบเสียงเรารู้จมูกกระทบกลิ่นเรารู้ร่างกาย กำลังเคลื่อนไหวเย็นดอนอ่อนแข็งเจ็บปวดไม่เพี้ยกเกิดขึ้นมากำทับขึ้นมาเดี๋ยวนั้นให้มันเกิดก่อนแล้ว ร, รู้ไปเรื่อยๆนะอันเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวประคองไว้ประคองที่จะให้การดูการรู้การเห็นนะทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็มีสติอุเบกขาการยอมรับมันว่านี่คืออารมณ์นี้ยอมรับมันอย่างเต็มที่มันเป็นอนะ่ะมันเหมือนกับเรากําลังจะศึกษาให้เข้าใจมันอย่างอย่างของแท้โดยไม่มีการปฏิเสธ แดยม่มีการแทรกแซงแต่มีการแสดงของอารมณ์นั้นให้เราเห็นอยู่ตลอดจนจบยังมีนะไอ้แค่โรคอยแค่นี้อตมาไมโรคอยนั่งรถตั้งสามวันยังไม่ได้นั่งรถเลย <c oughs> ปบายใจ <c oughs> อันนี้จริงจีไม่เป็นไรมันก็จะมีตัวตัวอย่างเนี่ยต่อไปก็เติมเติมเติม <c oughs> ตเติมเอเติ ม, เ ต, ม, เ, ตมเติมจิตที่ยอมรับอารมณ์มากขึ้นแล้วเติมจิตที่ พรจะเรียนรู้อารมณ์มากขึ้นแล้วก็เติม<า>แล้วก็อาสติอารมณ์ปัจจุบันที่มันให้มันเกิดก่อนแล้วพอรับรู้เกิดก่อนแล้วรับรู้ไปเรืๆๆ่อยเรือยเพ่อเติมอุเบกข า, าให้มันมากขึ้น<า>เออที่ทางแล้วหมดเราลืมมารมณ์ปัจจุบันไปใช่ไหมก็พยายามเออค่ะเกิดแรงดึง<า>ดงอารมณ์สุดมนันขึ้นมาช่วยใช่ ก็ถ้าอยู่กับปัจจุบันที่ที่พระอาจารย์ว่าก็คือคือคือคือเหมือนตัวรู้จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้มันกําลังคิดเรื่องนี้เพราะเหตุจากตรงนี้อะไรอย่างนั้นนะคะอาจารย์ไม่ใช่ที่ว่าอยู่กับปัจจุบันอะไเพราะมันอยู่กับไอ้ ก, <cosplay. S 2> การกําลังนั่งอยู่กัะพิบตาอยู่กําลังขืนน้ำลายอยู่กําลังลุกอยู่กําลังเดินายอยู่อะไรพวกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นรอบตัวกําลังได้ยินอยู่อหะอยู่บุกตาคนจั โอ้ได้ยินเสียงไอ้พวกนี้ยนี่คือปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ย้อนไปตอนนี้ส่วนตอนนั้นเนี่ยแบบให้เขาแสดงไปให้เขาสแสดงไปมันไหมกับเราเริ่มแยกตัวออกมาอยู่ระหว่างกลางระหว่างเราเห็นอารมณ์เออภายนอกด้วยูแล้วเห็นอารมณ์ภายในด้วยแล้วก็มีตัวรู้ที่รู้ทั้งอารมณ์ภายนอกภายในประคองกันไปโดยไม่แทรกแทรกมีสติเดเดี่ขาพร้อที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้<ม>ยเ่อจะสร้างพลัง<า>ในการสอน ในการเจาะเพชรมันเองไปเรื่อยๆแต่ส่ว so so นใหญ่อะพอมันเป็นแล้วเราจะหลุดฐานใช่ไมจะลืมจลืเออนั่นแหละเอาไปเติมเติมไปเรื่อยๆเติมคือลาครื้อไปอือืมแต่ค่ตั้งไปคือบางครั้งบางครั้งนะถ้ามันดีละที่มันห้ามกายกรรมวิจีกรรมวัตุกรรมเอาไว้นั่นแหละดีละแต่ไม่ห้ามอารมณ์ แต่ไม่ห้ามอารมณ์ของตัวเองแต่ห้ามกายกรรมว <ฮะ S 1> จิกรรมรมนุษย์ที่แสดงออกไปแต่ไม่ห้ามอารมณ์โกรดนั้นถูกแล้วหลับอยอ<ฮ>ะแค่ไหาจะอยอมรับมากขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นแต่เวลามีอารมณ์อะไรมากปุ๊บอ่ะอย่าลืมทิ้งฐานอย่าลืมทิ้งอย่าลืมให้รู้ทั้งข้างนอกด้วยแล้วรูข้ข้างในที่กังวลไปด้วยมันจะเห็นตัวรู้ทั้งทิ้งนอกแล้วรู้ทั้งกังวลข้างในมันจะเห็นไอ้ตัวรู้ที่มันโผขึ้นมาระหว่างกลา แล้เห็นบางครั้งมือไปเอาออกมาแล้วหายเข้าไปออกไปแล้วเริ่มจะดชำนาญในการชินโอ้มาหายไปอี่างนมันอย่งเองนะแล้วเราจะเริ่มเริ่มคุ้นชินกับการรู้แบบไม่เข้าไปคลองแวกมากขึ้นอาคะปรจอยังมีเหตุการณ์ให้ทดสอบอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละตามจริงจริงเออให้เรียนที่ไปเอารูปแล้วเป็นครูค่ะ ค่ะใช่ใช่ดีกว่าเนี้ยคนต้อไปเป็นใครเอยอ่า<อ>กับมารการอาจารย์ค่ะอ า, าจารย์ดีใช่ไหมคะเ น, นก็ยัยงยมุดกระบวนการหนึ่งกัรกระบวนการสองอยู่เหมือนเดิมห่าพระตา ในรูน<ม>้ฝึกการยอมรับแบบนี้นะคะอาจารย์อ่าให้ฝึกจากรอบที่แล้วอะคะ่ะอ<ม>ืก็คือเหมือนพอมีอะไรมากระทบเราแล้วเรารู้สึกอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ก็ทบทวนความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราจากสิ่งที่มากระทบแล้วก็อ่ายอมรับแต่ว่าเหมือนกับยังไม่มีเหมือนเรายังไม่ได้นึกถึงเรื่องกระบวนการที่สามะค่ะยังไปยังไปไม่ถึงคำว่าจังก็คืออาจจะเรียนเรียนรู้สิ่งที่เกิด น, นะคะ ยังยังฝึกแบบเหมือนฝึกช่วงฝืน ก, กับช่วงยอมรับเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมตัวกดก็ยังใช้ใช้นำอยู่เหมือนที่พายจันให้ฝึกนะคะ <c oughs> อืมอืค่ะคือตื่นแล้วค่ะยังยังพยายามพยายามเข้าใจกับกระบวนการที่สามมาที่พาจันบอกว่าให้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดเ น, นะะี่ยค่ะมันมันยังนึกไม่ถึงอะคะ่ะมันยังแบบเหมือนเรายังทานานแค่อ่ารู้ว่าอะไรเกิด แล้วก็เราเอาอะไรไปร่วมอ่ะพอรู้ว่าเอาอะไรไปร่วมอเหมือนดึงเกรงออกมาไม่ให้ไปร่วมได้แต่ว่ายังไม่ได้เรียนรู้สิทนั้นนะค ะ, ะ เ, เหมือนพอมีคำพูดพ<อ>มากระทบสิ่งนี้นค่ะเราก็แบบอ่าไม่สบายใจพอไม่สบายใจเสร็จเราก็รู้แล้วล่ะว่าเราไม่สบายใจขีไ่ไในอ่าแล้วเราก็มีความกังวลก็คือมีวนชิดอ่ารู้แล้วว่าวนชิดแล้วก็ฝึก ดึงตัวเองออกมาก็คือไปทําอย่างอื่นก่อนอะไรย่างเงี้ยค่ะเหมือนฝืนฝืนไม่ให้วนคิดอะคะ่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ไปถึงกระบวนการที่สามว่าไอ้ ท, <ม>ที่เกิดกับเตาเป็นเพราะอะไรเนะะี่ยค่ะมันมันเป็นแค่สามมันยังก็ยากอะไรวะจ้าไปอยู่มันมันแค่มมค่ะเออหนึ่งสองเนะี่ยมันเป็นกับหน<ะ>ึอหนึ่งสองอย่างนี้อยู่อะคะ่ะ หมม่ได้เบิ้อมีเจตนาเจตนาแล้วก็แทรกแซงอยู่นะหนึ่งสองเนี่ยมันมีเจตนาแล้วก็ยังแทรกแซงมันอยู่แต่ว่ามันลดลงคั้งที่หนึ่งเรามีเจตนาสูงในการเที่จะพาออกก่อนครั้งที่อันที่สองเนี่ยมีเจตนาในการที่จะฝึกที่จะไม่เอากายกรรมวิกรรมนกรรมไปทําแต่อารมณ์มีอยู่อารมณ์มีอยู่ทีนี้เราต้องค้นเราต้องไว้รรมาง ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอธาจามโนกรรมมัคือกรรมทางใจกับอารมณ์อารมณ์เนี่ยสมมติเราเความโกรธกับตัวใจที่รู้ความโกรธอย่า ง, น เ, น ง, งาเนี้ยเอ็งเป็นอยูงไหมตัวความโกรธหนึ่งกับตัวใจที่รู้ความโกรธหนึ่งเนี่ยตัวความโกรธเป็นแค่มาเป็นแค่อารมณ์แต่มโนกรรมหมายความว่าตัวใจที่รู้ความโกรธแล้วเข้าไปร่วมกับอารมณ์โกรธนั้นเนี่ยเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรม ไปร่วมป๊บเนี่ยมันจะมีกําลังในการผักดันสู่กิจกรรมของวิจิกรรมตามค่ะแต่ช่วงเนี้ยพอมันมนโนกรรมมันพอเราฝึกห้ามกิจกรรมวิจิกรรมปุ๊บมโนกรรมของเราเองก็เริ่มลดบทบาทที่จะเข้าไปแทรกแทรกจะ เ, เข้าไปเป็นร่วมกับอารมณ์เข้าใจตรดีไหมพยายามเข้าใจอยู่ค่ะอยากเข้าใจนะเอาง่ายๆเจนี่นึกง่ายๆว่ า, าหนึ่งมันมีใจ สอวันนี้อารมณ์ที่เกิดกับใจค่ะทีนี้เท่าใจเองเนี่ยใจเองเ่ยเข้าไปร่วมกับอารมณ์ที่เกิดกับใจเมื่อไหรปุ๊บนั่นแหละก็เรียกว่ามีมโนกรรมแล้วแต่เท่าใจนะไม่เข้าไปร่วมกับอารมณ์ที่เกิดกับใจแต่เป็นคนรู้อารมณ์ที่เกิดกับใจอ่ะรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธรู้ในกําลังคิดรู้ในกําลังอยากรู้ตอนนี้กําลังติดขัดขัดเชิงอยู่นี่แค่เดียว มโนกรรมไม่ได้เข้าไปร่วมแต่เข้าไปเรียนรู้โอ้ยทาไม่ได้ค่ะภาษาคือเราทบทวนดูมันมันไปด้วยกันออื ม, อมแต่ในหนึ่งและสองก็มีสามอยู่ด้วยเพราะตัวที่สามคืออะไรตัวที่สามคือการปล่อยให้ทุกอย่างมันเริ่มเกิดตัวเองมันและให้มันหายเองมันมีอันหนึ่งนะเราต้องพยายามฝึกให้มันเห็นการเกิดและการหายของสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆเพื่อสร้าง เพื่อสร้างตัวอุเบกขาค่ะอุเบาเนี่ยอุเบกขาจะเกิดได้ดีเมื่อมีจิตได้เรียนรู้ใจรักเรื่อยๆเรียนรู้การเกิดขึ้นการหายไปการเกิดขึ้นการดํารงอยู่การหายไปการเกิดขึ้นการแปรปรวนการดับไปการเกิดขึ้นการแปรปรวนการดับไปเนี่ยให้เรียนรู้ทุกเรื่องมันเป็นลักษณะอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าภาวะเขาอุเบกขาคือขั้นตอนที่สองก็จะดําเนินการมันจะมันจะเกิดขึ้นค่ะ เออเราต้องเรียนรู้ยอมไปย้อมไปจนจิตเราเริ่มรู้อะไรก็เฉยเฉยไม่เข้าไปแทรกแตงไม่เข้าไปจัดการแต่ดูให้ดูให้ธรรมชาติมันจัดการให้มันเองมันปล่อยให้ธรรมชาติมันจัดการเองมันมันเกิดขึ้นมันแปรตัวแล้วก็แตกสลายทั้งวันอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันไม่ว่าจะเป็นภาวะดีหรือภาวะไม่ดีก็ตามแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องหัดช่วงใหม่ๆครับหัดให้จิตเราดูความจริงให้มากขึ้น เราะวาหัดให้จิตรับรู้ความจริงหัดยังไงคือให้ให้มันเกิดก่อนแล้วเราไม่รู้ยอมรับเหรอคะพระตาให้มันเกิดก่อนทุกเรื่องให้มันเกิดก่อนแล้วเราค่อยรู้เอาแค่รู้มันพอเช่นมันเคลื่ อ, ไอนไหวแล้วค่รู้เกิดน้ํำลายก่อนแล้วค่อยรู้ได้ยินเสียงก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยที่เราเคยฝึกกดกดกันมาน่ะคือให้มันได้ยินเสียงก่อนแล้วค่อยรู้ได้ยินเสียงก่อนแล้วค่อยรู้แต่ไอ้รู้เนี่ยเราไม่กดและ แล้วแค่สอนตัวรู้เลยว่าเออเนี่ยรู้แล้วปล่อยอย่างเงี้ยรู้แล้วปล่อยรู้แค่หัวเรื่องพอไม่ต้องเข้าไปในเนื้อเรื่องเข้าใจงี้ไหมรู้แค่หัวเรื่องเช่นพอาได้ยินเสียงปั๊บเขรู้ว่าจะได้ยินเสียงแล้วแล้วก็ปล่อยผ่านรู้ว่าคิดปุ๊บรู้ว่ามันคิดแล้วรู้ว่ารู้ว่าคิดพอแล้วไม่ไม่เข้าไปในเนื้อเรื่อง ถ้าถ้าเป็นแบบว่าภายนอกอย่างเงี้ยค่ะพระอาก็คือมันมันก็จะเห็นทับค่ะแต่บายทีภายในมันมันบางทีมันก็ยังงงงอยู่คะพระอาเออมันธรรมดาทีก็หัดซ้อมกับภายนอกไปเรื่อยเดี๋ยวภายในมันจะโผล่ขึ้นมาเองหรอกมันไม่รู้ว่าเราแบบว่ารู้แล้วแล้วก็เราเข้าส่วนใหญ่จะเป็นถ้าจากที่พระอาจารยผู้มาก็จะเป็นเหมือนมโนเข้าไปร่วงมาค่ะไม่ค่อยได้ออกมาไม่ค่อยได้ออกค่ะ ก็คือกายกรรมบอกว่าทีกายกรรมมันมันเหมือนมันมันท้า่ง่ายค่ะคือมันมันเหมือนมันมองเห็นง่ายอ่ะค่ะแต่ว่าไอ้แมโนที่ที่หนูถามพาจารนะคะว่าไม่รู้ว่ามันไปส่วนเนี่ยมันมักจะไปด้วยกันค่ะฉะนั้นนี้วิธีการถ้ามันรู้พามันออกไปไวพามันออกก่อนไปไวเช่นรู้ว่าคิดแล้วแต่ออกมาเลยคิดแล้วออกมาเลยออกมาเลยคือเรื่องพาพาให้มันออกมาเลยออกไปไว่า เพราะว่ามากระทบแล้วเรารู้สึกเสียใจพอเรารู้ว่าเราเสียใจเราก็ยังบวนเสียใจอยู<ม>่ก็คือให้ออกก่อนเออให้ออกมาเลยอออกมาก่อนทัานต้องออกก่อนผ่าออกก่อนออไว้ก่อน ข, ของหนูว่าคือว่าหนูอะไปทำอย่างอื่นให้ลืมแล้วก็หายจากภาวะนั้นใช่ไหมเอ อ, อเนยได้ได้เนี่นะไ ด, ได้ใช้ได้อยู่หาเข้าออกก่อนหาเข้าออกก่อนเพื่อให้เขาชํานาญในการที่จะไม่เข้าไปแช่ไม่จะเขาจะไม่เคยแช่ไม่เข้าไปจง แต่ก็งาำนันดกันเออออกก่อนออกก่อนออกก่อนช่วยเขาออกก่อนออกก่อนจนเขารู้สึกว่าเวลาแล้วแล้วคอยสังเกตด้วยว่าเขาเข้าไปตอนไหนแล้วเขาออกไปยังไงคอยสังเกตการเข้ากันออกของเขาด้วยเวลาไคสังเกตก็คือถ้าเวลาแล้วถึงรู้ไปคือรู้แล้วว่าเป็นชาวป่าใช่อืมคะนั่นแหละทีนี้ตรงนี้ยมันมันมันมัน จิตมันมันยังฝึกเองการกระทบแล้วรู้เฉยเฉยยังไม่ค่อยได้นะเพราะอุเบกขายังไม่ทำงานมันจะเข้าไปเสียใจก่อนรู้เสียใจแล้วออกก่อนมันจะมาอุเบกขาทีหลังหลังจากออกไปแล้วแล้วผ่านเวลาไปแล้วแล้วก็เข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้แบบแ<ต>นี้แบบนี้จะอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะค่ะมันจะไปก่อนแต่พอเราวัวมันไปแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นให้มันแบบหายไปเหมือนต้องใช้ตัวมตัดอะค่ะอาจารย์ เออนั่นแหละนั่นแหละแค่เรืการช่วยมันก่อนช่วยมันช่วยมันก่อนช่วยมันก่อนเพราะมันยังไม่มีแรงออกมันยังไม่มีแรงออกเองมันมันยังไม่มีแรงรู้เองมันก็ช่วยมันก่อนช่วยกันช่วยกันให้มันมาสนใจสนใจฟากฝั่งของรูปไว้สนใจฟากฝั่งของแหวนสนใจฟากฝั่งของตัวเสี่ยงตัวกายตัวการกระทบไว้ให้เขาชํานาญในการสนใจพวกนี้ไว้แล้วต่อไปเวลาก็าเกิดขึ้นมาบักเนี่ยก็เฉงภาวะตัวรู้ที่อยู่ระหว่างกลาง เห็นข้างนี้ด้วยแล้วเห็นเห็นข้างนี้ด้วยแล้วเห็นข้างนั้นด้วยแล้วเวลาก็เข้าไปในข้างนั้นผู้ใบข้างนี้หายไปยังไงก็จะเห็นชัดไอ้ข้างนอกหายไปตอนไหนอ๋อข้างนอกมันหายไปนี่ว่าเขาจึงเข้าไปข้างในแต่พอรารู้ปุ๊บเราออกถามเขาออกก่อนข้างนอกเริ่มชัดเจนข้างในเริ่มหายไปบางครั้งก็ปกให้ทั้งถ้าบางช่วงนะเห็นทั้งข้างในด้วยเห็นทั้งข้างนอกด้วยไอ้ตัวรู้ที่รู้ทั้งสองกลาง ว่างเาเห็นข้างนอกกําลังเดินอยู่กําลังได้ยินอยู่กำลังกินอยู่แต่เห็นข้างในก็ยังมีอารมณ์อยู่อันเนี้ยเขาจะเริ่มจะเริ่มขว้างไปตาต้องฝึกบ่อยๆแยกส่วนต่ไม่ยได้เมื่อกี้ก็งงค่ะแต่แกก็รู้ค่ะพอแบบว่าคนในเกิดแล้วถ้าจะพาเขาออกต้องมาส่วใจข้างนอกนะคะเออเออเออโอเคนี้ก่อนเออเออนี้ก่อนเออนี้ให้ให้คนไหนก่อนก็ไน้ เออแต่ขอสังเกตแล้วกันเดี๋ยวสังเกตดีดีว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกปุกบข้างในเกิดขึ้นเนีะยข้างนอกเราหายไปยังไงมันหายไปยังไงเออค่ะมันไปหายค่ะมันแบบว่าตาหูมันขายไปเลยค่ะมันไปบนอยู่ในนั้นค่ะเออมันหายไปแสดงว่าเข้าไปแล้วแร้วก็ทามันออกมาออกมาเล่นเล่ออกมาแล้วบางครั้งข้างในยังไม่หายแช่างมันแต่เออเราได้ยินเสียนะมันได้เห็นแล้วนะ เนี่ยตรงช่วงนี้ยเป็นจังหวะของตัวรู้ที่อยู่ระหว่างกลางที่ข้าไหนก็ยังมีอยู่ข้างนอกก็เห็นด้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวรู้ที่อยู่ระหว่างกลางที่ไม่เข้าไปแทรกแซงกับอะไรแล้วแล้วสักพักหนึ่งธรรมชาติก็จะทํางานเองไหมมันจะขายไปเองไหมค่ะอืมแต่บางทีแบบพระอาจารย์บอกอะค่ะมันก็คือมันจะรู้นะว่าอะมันพอลองไปแบบพามันออกไปไปไปทำทั้งแบบเหมือนไปเหมือน ให้ความชัดเจนกับข้างนอกเพราะในมันก็ย่ายไปเราก็เริ่มรู้ค่ะแต่ว่าเหมือนตอนที่เหตุการณ์นั้นนะคะช่วงนั้นนะคะก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่ได้รู้มา่ก่อนนะคะแต่มารู้หลังจากที่พระอาารอธิบายค่ะอืมไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ซ้อบมันไบ่อยๆก็มันยังช้าอยู่ยังไม่ไหวยังไม่ไหวก็ยังช้าอยู่แต่ที่มันช้าเพอไรเออที่มันช้าเพราะอะไรเพราะเรารู้ยาวเกินไป เราพยายามถัดรูรร้เฉพาะบัวเรื่องพอพอรู้ว่าเสียใจปุ๊บปล่อยเลยไม่ต้องไปไปฟังคําอธิบายอะไรเหญ่ๆให ม, ม่รู้ว่าอันนี้พอเสียใจนะออกมาก่อนออกมาก่อนคไม่ต้องไปคำควรไม่ต้องไปรำไรรำพันอะไรกับมันออกมาก่อนลองรู้ว่าอารมณ์เสียใจเกิดขึ้นแล้วออกมาก่อนออกมาก่อน <ạ. S 1> ทำให้ <ạ. S 1> ให้มันปรับตัวอไวๆนะปรับตัวไ ว, ไว้ๆพร้อมๆกับการเรียนรู้ความ เกิดขึ้นแปรปรวนแตกสลายไปของมันไปด้วยแล้วไอ้ตัวรู้อย่างอุเบกขามันมันจะดีขึ้นมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวรอบ ก, ก็ดีค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามามาอะไรนี้ค่ะอขอบคุณพระอาจารย์ครัรักาการใจ น, นะดีขึ้นแล้วที่คให้เรื่อยอยค่ะ กลับนำ้ำมาสการพระอาจารย์ค่ะไง ม, มากคืออาทิตย์นี้ก็ยังได้เดินสามสิบนาทีตอนเช้ามีสองวันคือวันนี้กับเมื่อาวานที่ไม่ได้เดินเพราะต้องไปธุร์แต่เช้าอือก็ยังใช้ตรงกดช่วงนี้นะคะ่ะส่วนกิจกรรมชั้นๆก็ยังทําอยู่อือก็ยังได้ไประโยชน์ก็ยังคิดว่าได้ไประโยชน์มากเออแต่ว่าฝึกเรื่องการฝืนเนี่ยค่ะก็ไม่ซ้ำมาถูหรือเปล่าจะฝึกแบบ สั้นๆอยี่ยสมมติเรเห็นความอยากจะเปิดแอร์ก็รอแป๊บหนึ่งเนี่ยดูว่าอะไรงไงก็ไม่ไปเปิดคือฝึกมีความรู้สึกว่าถ้าฝึกเหมือนกับเหมือนจะไม่จะขยับอยากขยับแต่ไม่ขยับเลยอันนี้มันเหมือนรู้สึกว่าง่ายมันทําได้ก็เลยมานั่งมานั่งคิดว่าเอ๊ะอะไรที่เราเหมือนรุนแรงที่ทํายากก็แบ่งเป็นสองเรื่องคือเรื่องอาหารกับเรื่องซื้อของ อย่างเรื่องอาหารเนี่ยลองลองแก้แก้ปัญหาด้วยการลองให้ลูกมื้อเย็นให้ลูกสั่งอาหารเลยส่วนมื้อชเช้านี่ให้แม่บ้านทําอืำโดยที่เราไม่บอกว่าเราอยากกินอะไรเลยก็มาสําเรกตตัวเองเพราะเขายกลงมามันเห็นความชอบไม่ชอบอืมีความวาไม่อยากกินเนี้ยก็แต่มันก็จะใช้ความคิดช่วยด้วยการอะไรก็กินเถอะเนี่ยก็เลยก็ผ่านไปได้ทุกมือะะ้อค่ะ ตอนตอนเรียนก็เหมือนกันลูกสั่งอะไรมาก็ก็แค่กินไม่ได้คิดก็สั่งเอ้ยช่างมันอย่างเงี้ยค่ะก็จะคิดอย่างเงี้ยอะไรก็กินไปเถอะเรากินเพื่ออยู่มันก็กินได้อาหารก็เลยก็เลยฝึกอย่างเนี้ยค่ะส่วนส่วนเรื่องการซื้อของเนี่ยก็ใช้ความคิดช่วยเหมือนกันคืออะไรที่จําเป็นมันจะบอกว่าอันนี้จําเป็นจำเป็นต้องซื้อเข้าบ้านอ่ะก็ซื้ออันไหนไม่จําเป็นก็ใช้ความคิดช่วยว่าไม่จําเป็นแล้วก็ตัดเลยอะค่ะอาจารย์ ไม่จเป็นซึ่งแต่ก่อนจำได้ว่ามันตัดยากมากมันยังมีความอยากขึ้นมาขึ้นมาอะไรแต่เดี๋ยวนี้มีค้ามรู้สึกว่าง่ายขึ้นพอมันมีตัวบอกว่าไม่จำเป็ น, ปนก็จบก็ไม่ซื้ออย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ฝืกลักษณะนี้อยู่เออเรื่องอาหารเรื่องง่ายัหยไม่ค่อยจะสิตจิตไม่ค่อยมีปติฆะกับมันรึมั้ยตอนสมัยก่อนเนี่ยมันรุนแรงมาก มันเหมือนกับว่าอยากกินปุ๊บมันต้องดิน้นรนแต่เดี๋ยวนี้พอพอลูกสั่งมาเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าอื้ออะไรก็กิน ไ, ไนนยมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าว่า อ, อึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินไปก็สั่งบอกเออก็กินกินไปนะคะแล้วก็จบฮมันก็ผ่านแลค่ะเ อ, อ, เ อ, อไปเรียนสืกอมาทรมานอะไรใช่ไหมไม่ค่ะ ตอนนี้ไม่ไม่รู้สึกอะลูกถ้าแต่ตอนนเริ่มกุ้งมากเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนทุกอย่างมันเฉยๆอะค่ะอย่างที่บ้านในวันๆเนี้ยก็ดูนู่นดูนี่อะไรทำไมมันก็เฉยๆทั้งวันเพราะว่าปกติจะจะอยู่บ้านแทบจะมีแม่บ้านกับตัวเองลูกก็ไปทํางานเพราะว่ามันเหมือนจะอยู่คนเดียวกับแมวมันเฉยๆทั้งวันอ่ะ แล้ววันนี้ที่ที่สงสัยตัวเองอีกอันก็คือว่ามีอาการไปรอเหมือนกันเนี่ยพาลูกไปทำพาสปอร์ตรอสองชั่วโมงเหมือนกันหาว่าขับรถกลับบ้านสองชั่วโมงที่ตอนไปนั่งรอก็ก็หูก็ฟังเสียงเสียงคิวที่ประกาศคือทุกอย่างมันเฉยเฉยหมดเลยอะค่ะไม่ได้มีความรู้สึกก็ดีค่ะก็คืไม่ได้คิดอะไรก็ฟังเสียงไปเนี้ยเอาสียงคิวเสียงคนเดินผ่างก็เห็นรู้ว่าคนเดินผาเสียงได้ยิน อไอ้คิวที่มันเลื่อนก็ดูไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเฉยมาแล้วจังเออนี่แหละเขาเรียกเขาเรียกว่ามันมีอารมณ์เบกขาอารมณ์เบกขาคือรับรู้ตามที่มันเป็นรับรู้ตามที่มันเป็นฉันก็ไม่ได้ไปกวนก歪 air กันแต่เมื่อก่อนเนี่ยพอเรารับรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือ ต, อตอ่อบต่องหรืออืัดหรื อ, รอขัดเครื่องหรือทํำนู่นทํา น, น, านี่แต่พอเรากลับไปแค่รู้มัน แล้วกลับมารู้อยู่มันก็เลยเฉยเฉยเฉยแต่ใจไอ้การเฉยเอของมันเนี่ยจริงๆไอ้การฝืนเนี่ยนะเองการฝืนของเราเนี่ยใจให้หัดฝืน อ, อะไรรู้ไหมฝืนที่แต่เวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเนี่ยเราก็ยังฝืนที่จะฝืนที่จะได้ตามแต่เราเริ่มจากไอ้สิ่งนี้ก็ดีอยู่เพราะว่าเราเริ่มจากข้างนอกแต่ก็ฝืนข้างใ น, นได้ด้วยเรื่องการจีนเนี่ยเป็นข้างนอก แต่เราก็ฝืนข้างในใจเราไปได้ด้วยเป็นกันแต่ต่อไปเวลามันคิดขึ้นมาหรือว่ามีความกังวลขึ้นมาหรือมีความโกรขึ้นมาหรือมีความไม่ชอบใจขึ้นมาพวกอนี้ยเราก็ผืนมันเลยฝืนแบบเดียวกันเลยฝืนแบบข้างนอกนั่นแหละแล้วก็ดูมันเฉยเฉยดูมันซิมันจะทําอะไรแต่เติมการเติมการเรียนรู้อ่ะดูมันซิมันจะทํำอะไรดูมันซิมจะคิดยังไงดูมันซิมันจะเอาเด้งอะไรขึ้นมา ดูมันซิมมันจะพูดอะไรดูมันซิมจะหาวิธีแบบไหนให้มันเขีนมันแต่โดยเราที่ตรงไม่เข้าไปทําตามมันเรื่อย้ค่ะยักดอยู่ใชยังกดอยู่ค่ะก็กดแค่ช่วงเช้าเลยเออนั้นสังเกตดูให้เห็นเวลาเราเห็นน่ะเห็นภาวะสามภาวะเช่นเห็นภาวะภายนอกจากรูปเสี้นจุดสัมผัสเห็นภาวะภายในที่คิดนึกและเห็นไอตัวรู้ที่รู้ทั้งภาวะภายนอกและภายใน อยู่กับตัวเนี้ยเฉยๆเพราะตัวรู้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวรู้เฉยๆที่เป็นของือเดิมแท้กขามันอ่ะมันแค่รู้เท่านั้นนะมันไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปตีความไม่เข้าไปเอาผิดเอาถูกไม่เข้าไปเอาเหตุเอาผลอะไรกับมันนะมันแค่รู้จริงๆเอาว่ามันเป็นแค่นั้นแล้วมีอะไรอีกไหมก็เนี่ยใครอยากจะเรียนรู้ที่ แต่ว่าฟังที่พระอาจารย์แนะนำน้องๆคนอื่นแล้วก็แบบที่สามเนี่ยค่ะขั้นที่สามหรือตามสภาวะความเป็นจริงอยากจะฝึกตรงนี้แ ต, แต่กำลังกาลังดูว่าเราได้ฝึกอะไรบ้างกับไฮเซนเกินตอนที่สาม้สังนเกิดนะมันจะลดการแตกแต่งลดการแตกลดการแตกแต่แงลดเจตนาลดเจตนาลงที่จะทำอะไร ที่จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะตัดเจตนาที่จะไม่ทําอะไรกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วก็อันที่สาเปิดใจเรียนรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเรียนรู้แบบนั้นเลยตรงตรงเลยตรงๆเลยอันเปิดใจยอมรับแล้วก็เรียนรู้มันตรงตรงเลยมันเป็นแบบไหนเช่นมันโกรธก็เป็นแบบโกรธก็เรียนรู้แบบโกรธมันเป็นแบบสบายใจก็เรียนรู้แบบสบายใจมันเฉยก็เรียนรู้แบบเฉย มันอยากก็เรียนรูปแบบอยากมันนี่เหตุผลก็เรียรูปมันมีเหตุผล ต, ตามที่มันเป็นนัไงมันจะลดลดพฤติกรรมในใจเออในใจเนี่ยมันจะลดพฤติกรรมในการแทรกแซงทุกเรื่องราวแล้วปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นดําเนินเรื่องเองมันปลุกประมาเหมือนเราไปดูดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตก็ได้หรือดูเคยเข้าไปดูดูกีฬาไหมละ่ะ นึกไปออกนะเข้าไปดูวอลเล่บอลนี้ยเคยไปดูไหมเอบดูป่ะเออกนดูก็ดีกันแหละข้างไหนชจะชนะข้างไหนจะแพ้ก็ช่างมันไม่มีอะไรลูกมันจะไปข้างไหนเราแค่ดูเฉยๆดูกะดูเขาเล่นกันดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขาเล่นกันดูปีกมันลูกก็ลูกก็ตกกันข้างนี้ได้คะแนนข้างนี้ได้คะแนนแต่เราไม่ได้มีส่วนเสียว่าเอาข้างใดข้างหนึ่งนะตราไม่แบบ ดูพฤติกรรมเข้ามาเข้าทำใจก็เหมือนกันเนี่ยวิธีการดูแบบเนี้ให้เราไปย้อนดูตัวเองแบบอารมณ์ก็เกิดเยอะเกิดอะไรขึ้นมาอารมณ์ฝ่ายดีก็เป็นอีกฝากฟังหนึ่งอารมณ์ฝ่ายไม่ดีก็เป็นอีกฝากฟังหนึ่งอารมณ์ที่มีเหตุผลที่เราเราให้เหตุผลกับตัวเองก็อีกฝากฟังหนึ่งอารมณ์ที่อยากจะทําตามอารมณ์นตามใจตัวเองฝากฟังหนึ่งเขาจะตีกันไปตีกันมาเท่าไหร่แต่เราดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยแล้วจะเริ่มเห็นฝ่ายเห็น พอดูทเฉยๆปุ๊บจะเห็นกระบวนการในการเกิดของเขาอ่ะเขาเกิดมาจากอะไรเขาต้องรงอยู่ที่ไหนแล้ะคือเราเวลาเขาหายหายไปอย่างไงแล้วเขามีผลมีผลย้อนกลับมาแบบไหนถ้าเราเข้าใจจริงๆเขาแบบเนี้ยต่อไปเขาเกิดมาอ้ร้อยครั้งพันครั้งตามๆใจเราก็จะใจเราก็จะไม่สะ ด, ดุด้งสะดือนกับเขาเพราะเราเข้าใจแล้วเหมือนกับเราหัดหัดทำงานสันสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พอทำงานนักเตะไปแล้วเนี่ยก็จะไปทํางานเรื่องนั้นอีกตั้งร้อยพันเราก็ไม่ไม่กังวลบมันเพราะเราเป็นแล้วค่ะคื อ, อประมาณนี้แหละประมาณนี้อันภาคสามเนี่ยเป็นภาคของการภาคของการที่จะลดเจตนาลงแต่เติมอุเบกขาให้มากขึ้นภาคสามนะเติมอุเบกขาเติมเปิดใจยอมรับทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตทั้งภายในทั้งภายนอก ตามที่เขาเป็นเลยไา้ดกหัดอย่างนี้นะหัดรู้ตามหลังเขาเรื่อยๆให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้แล้วเอาแค่หัวเรื่องพอไม่ต้องเข้าไปในเรื่องซ้อมเขาเพื่อจะได้รู้จักว่าไอ้ตัวรู้ตัวรู้ซื่อๆตัวรู้ตรงๆรู้แค่รู้แล้วรู้แล้วไม่เกินจากรู้เนี่ยเป็นยังไงไม่เกินจากรู้เนี่ยเป็นยังไงรู้จริงๆที่ไม่จากรู้มันมันรู้เรื่องราวทุก่รู้ว่าอันนี้เกิดขึ้นแล้วท่านั้นแหละ ต่เกินแต่นั่นไปคือเข้าไปหมั่บ้างเข้าไปแทรกแทรกบ้างเข้าไปจัดการบ้างเข้าไปดีใจเสียใจกั่ว่านี่เกินแล้วเกินแล้วก็รู้ว่าเกิดแล้วมันจะกลับมารู้ซื่อให้รู้ส่วนเกินจะรู้ส่วนถ้ารู้ส่วนควนเมื่อไหร่ก็จะรู้ส่วนส่วนส่วนพอดีเมื่อ น, นั้นหักไปไค่อยๆหักไปนะแต่ฝึกไปเรื่อยนะยังฝึกข้างนอกอยู่ยังรง่างจิตวัตอยู่กดีแล้วให้สร้างจิตวัตไเรื่อยนะ วิว่าจะทิ้งเยอะทุกคนวิทย์เนี่ยพยายามทำให้ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเป็นตัวคําให้ให้อารมณ์การเรียนรู้เราเข้มแข็งขึ้นนะเช่นการตื่นตามตารางเวลาและการฝึกกฎในช่วงต้นตัวเรื่องแล้วก็ปล่อยไปอันเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เราในการฝึกเรียนรู้เราจะเริ่มดีขึ้นถ้าเราเริ่มไม่เริ่มไม่มีข้อวัด กับตัวเราเองต่อไปเราก็จะเริ่มไหลไปกับอารมณ์ง่ายมีข้อวัดไว้อ้าวคนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะหมทันนะ